ถ้าคุณไปนิพพานได้หรือถ้าคุณช่วยให้ญาติไปนิพพานได้นั่นแหละจึงจะพบของจริงด้วยกันไม่ต้องตายจากกันไปจนชั่วกาละปาวะสารย้อนกลับมาถึงคําถามที่ว่าผิดหรือถูกถ้าฆ่าตัวตายคําตอบโดยสรุปคือผิดถ้าจิตเศร้าหมองเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อตายด้วยจิตเศร้าหมองอยู่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 ท, ทิ้งสภาพทุก์ในรูปแบบสุดท้ายไปสู่บร ม, มสุขอันยั่งยืนถาวรสรุปคือถ้าว่านักเจริญสติตั้งใจทิ้งทุกทิ้งอุปาทานไม่มีใครตั้งเจตนาไว้ว่าจะฆ่าตัวตายหนีญาตินะครับในสังสารวัตรไม่มีใครเป็นญาติใครจริงอยู่แล้วชาตินี้เป็นพ่อแม่พี่น้องรักกันปานจะกลืนย่งไม่ทันข้ามชาติอย่างทะเลาะเบาแวงแตกแยกไปเป็นศัตรูกันได้